อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบ ก, กันเช่นเคยนะคะในะรายการธรรมรัรุณทางสถานีวิทยุยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะเมื่อเปิดสถานี อของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในทุกๆเช้าท่านก็จะได้รับฟังรายการธรมรมะราบรุนนะคะและถ้าหากเป็นวันเช้าของวันเสราร์อาทิตย์อย่างเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันเสราร์ที่สาพฤศจิกายนนะคะเป็นเสราร์แรกของเดือนพฤศจิกายนวันนี้เป็นวันแรมสี่ข้ามเดือน11ปีมร่งนะคะเราก็จะได้มาพูดคุย สนทนาธรรมะหรือที่เรียกกันว่าสาฉากับพระอาจารย์ไพบุญอภิวิโนพระอาจารย์ของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเริกเร้นตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของทางวัดป่า ด, ดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานะะจังหวัดอุดรธานีน่นเลยนะคะซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาคิดว่าท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะรับทราบกันแหะคะ่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็ขอนํา ผมากกราบน้ำมศการพระอาจารย์ไพบูลอภิปโนพระอาจารย์ของเราเลยนะค ะ, ะว่าจะสนทนากันเกี่ยวกับคําถามอะไรบ้างกราบน้ัสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาใช่พานสาธุเจ้าข้าเช้าวันนี้ก็คงจ ะ, อะขอนําคําถามที่คุณ ผู้ใช้นามว่านิปุณะซึ่งเคย hmm. เจ้าค่ะซึ่งเคยเรียนถามเข้ามาครั้งนึงแล้วในเว็บไซต์ของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะนํา ม, มาถามกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ท่านถามเข้ามาใหม่ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเท่าที่โยมอ่านคําถามของคุณนิปุณะแล้วนี่ก็คิดว่ า, าเผื่อพระอาจารย์เมตตาที่จะตอบให้คุณนิปุณะแล้วก็คงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านคล้องใจในประเด็นอธรรมข้อนี้เหมือนกันนี่ก็คงจะ ได้รับประโยชน์ความรู้ทีเดียวนะเจ้าคะ่ะยงขออนุ ญ, ญาตที่จะอ่านไปเลยนะเจ้าคะ่ะคำถามเจ้าคะ่ะคุณนิพุณาถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาปฏิจจสมุดบาทคือสงสัยว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นเช่นถ้าตาเห็นรูปคือเสื้อสีสวยรูปแบบสวยแล้วก็มีความพอใจอยากได้ก็เลยตัดสินใจซื้อตอนนี้ตามที่กล่าวมานี้เนี่ยเมื่อมีจักขุวิญ ญ, ญาณและมีสัมผัสกับรูป เกิดความพอใจคือเวทนาอท่านก็ขอเรียนถามว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะธรรมตัวใดเจ้าขาพระจเจ้าขาอ๋อนิโมนเจ้าขาไล่ลไปตีแล้วประเด็นกันนะคุณคุณตใจคํคถามนี้หวังจะมีเรื่องราวที่ต้องอขุดคุยแล้วก็ให้ความหมายเบื้องต้นอยู่หลายอย่างเอาตั้งแต่ชื่อของคุณนิปุณาก่อ น, น, นจริงๆอันนี้เป็นนำแฝงของผู้ที่ฟังรายการแล้วก็ถามคําถามมานิปุณะเนี่ยเป็น เป็นศัพท์ภาษาบาลีนะจริงๆแล้วแปลว่าอะไรเ <นะ S 2> จ้าคะ่แะแปลว่าสิ่งที่ละเอียดอ่อนสําหรับการศึกษาและปฏิบัติที่ไม่ใช่ไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่าโอ้ฝั ง, งยากะนะโอ้โตั้งชื่อแบบดีเลยนะเจ้าคะ่ะ น, นี่หน้าคําถามลึกซึ้งมากเลยเจ้าคะ่ะสํานวนก็ยังอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> ในอยู่ในตาดา ว, วัตอยู่คือตรงเนี้ยหมายความว่าการสิ้นแปลงราคะโทสะโมห์นะพระพูทธเจ้าเคยใช้คําว่านิปุนะเนี่ยแทนนิพพานด้วยซ้ําอืมเหรอเจ้าค่ะ มันก็พันธุถามก็คงจะปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังนิพพานนี่แหละนะจึงจมีคําถามที่ลึกซึ้งในลักษณะ น, นี้เจ้าค่ะอะแล้วก็ไล่ต่อไปอีกนะพูดถึงคําว่าปฏิจสมุบาทนะเราได้เคยคุยเรื่องนี้ไปตอนก่อนเข้าภาษาคุณนจเจ้าค่ะนะพออาตมาได้คุยเรื่องนี้ไปอาตมารู้สึกสบายใจแล้วเราโล่งเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากคือถ้าเราตายไปแล้วก็ตายตาหลับละอืมเจ้าค่ ะ, นะะที่ได้พูดเรื่องนี้ อ, นนอ่าใช่ได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วในในทางรายการธรรมรบรุน เพราะนั้นคําว่าไอปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่หลายหลายคนอาจจะอ่านว่าสมุปปา่าบาทนะท่านบุรุษตาได้เขียนไว้ในหนังสือว่าต้องอ่านว่าสมุปบาทคื อ, อมอมา ก, กับปอปลาเนี่ยมันกล้ากันอยู่อ่านว่าปฏิจจสมุปบาทตรงนี้ก็คือหมายถึงธรรมที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นธรรมที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นหมายความว่ามันต้องมีสิ่งนี้อีกสิ่งหนึ่งจึงมีได้ <S <S ใน<ม>ที่นี้เจ้าของถามก็นยกตัวอย่างถึงการเห็นเสื้อ คือแม้ตาเห็นรูปเนี่ยจึงมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจอน ะ, จะก็ต้องทําความเข้าใจกับศัพท์อีกนิดนึงแในะอย่างสมมุติบางทีเราฟังรายการธรรมารับรู้อยู่อย่างเงี้ยหูคุณได้ยินเสียงใช่ไหมคุณฟังเสียงจนกระทิดว่าโอา้โหเข้าสมาธิลึกเลยนะจนกระทั่งคนอื่นเสียงนกเสียงไก่ขันเสียงนกร้องหรือเสียงแม่เรียกอะไรเนี่ยเราไม่ได้ยินในทะงทั้งที่การรับรู้ก็มีอยู่หรือว่ า, เ, าเราไม่ได้รู้สึกถึง น้ำหนักของตัวเองที่นั่งที่กดทับอยู่ขณะที่เรานั่งอยู่ที่ ท, ที่เก้าอี้ก็ตามบนเตียงนอนก็ตามะนะจนทั้งอรหมได้พูดถึงโ อ, อ้เราก็จิตเราถึงค่อยๆไปรับรู้นะแสดงว่าไอ้สัมผัสเนี่ยมันมีคู่กันกันกบสิ่งที่มากระทบนะคือหมายว่ามันต้องมีตาก่อนนะนะถึงจะมีรูปนะถ้ามีไม่มีตาไม่มีรูปมันก็ไม่มีสัมผัสนะเพราะฉะนั้นจึงพระพุทธเจ้าจึงช้คว่าสลายยตนะในจึงเป็นเหตุเกิดภัจจ์ สเลยตนะคืออะไรก็คืออยจตนาภายในและภายนอกรวมกันเรียกว่าสลายอ์อตนะจอ่ทีนี้ถัดมาพอเราเห็นรูปมีความมีมีสัมผัสต่างๆละเราก็จึงมีความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกนี้มีแค่สอามอย่างคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคือไม่เหมือนกับความรู้สึกที่อะไรเช่นบางคนรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกเย็น วันนี้รู้สึกมึนรู้สึกตึงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้น <จบ S 1> พระเจ้าะจะจะจัดไปอยู่ในหมวดของสัญญาคือความหมายรู้แต่หมายรู้แล้วบางทีบางทีเรารู้สึกตึงแล้วเรารู้สึกเป็นสุขแต่ตรงความสุขตรงเนี้นคือเวทนานนถ้าจะพูดให้ถูกก็คือว่าคุณมีสัญญาในความมึนคุณรู้สึกเป็นทุกข์คุณมีสัญญาในความง่วงคุณจึงมีเวทนาทุกขเวทนาคุณมีสัญญาในความสดชื่นคุณจึงมีสุขเวทนา คุณมีสัญญาในความเจ็บคุณจึงมีสุขเวทนามางคลชอบเจ็บๆอ่าก็เลยเป็นอย่างนี้ต้องต้องแยกสามให้ถูกนิดนึงได้เพราะฉะนั้นพอมีพรรษะจึงมีเวทนาทีนี้คําถามของคุณนิพนธ์ก็คือว่าเวลาเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะทำตัวใหม่หรือเป็นอาการของจิตตัวเดิมที่เข้าไปเกิดในรูปโอ้โหอันนี้ลึกซึง้งนะลึกซึ้งนะคือคําถามหมายความว่าจิตที่ มารับรู้เวทนาเนี่ยมันเป็นจิตเดียวกันกันกบไอ้ที่มันไปรับรู้สิ่งอื่นไหมรับรู้ภาษาไม่รับรู้อะไรพวกนี้หรือเปล่าถ้าจะ ถ, ถามอีก ร, รูปแบบหนึ่งก็ถามอย่างนี้ก็ได้ <Okay. S 1> นะก็พูดอย่างนี้เลยก็ได้พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าเอาพูดถึงความหมายของคําว่าเวทนาก่อนเวทนาเนี่ยภาษาไทยเนี่ยนะมันใช้ไปในแนวความว่าโอ้หน้าสงสารคนนี้ได้รับทุกขเวทนาอะไรอย่างเงี้ยหน้านะเวทนาคือเป็นความหมายที่เป็นทางลบ นะแต่เวทนาเนี่ยจริงๆแล้วเดิมทีมาจากภาษาบาลีนะที่รพระเจ้าใช้เนี่ยหมายถึงความความรู้สึกนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างอันนี้เรียกว่าเวทนาทั้งสิน้นทีนี้ถามว่าคําว่าเวทนาเนี่ยพระเจ้าให้ความหมายว่าอะไรพนะระเจ้าให้ความหมายว่าสิ่งใดนะเป็นกิริยานะกิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าเวทนา กิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าเวทนาเอรู้สึกได้ซึ่งอะไรเล่านะก็สุรู้สึกได้ซึ่งความสุขบ้างรู้สึกได้ซึ่งความทุกข์บ้างรู้สึกได้ซึ่งความไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างแล้วเพราะกิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจึงเรียกว่าเวทนานังกิริยานะคทีนี้อะไรล่ะที่เข้าไปรู้สึกหมายถึงว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกใช่ไหมเจ้าค่ะใช่อะไรเป็นผู้ที่เข้าไปรู้สึกก็คือผัสสะของเราอะเจ้าค่ะอ คือแล้วอะไรเป็นผู้ที่เข้าไปรู้ภาษาผู้ที่เข้าไปรับรู้ภาษาก็คือจิตนั่นเองผู้ที่เข้าไปรับรู้เวทนาก็คือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนคำคำถามที่ว่าอะไรมาเป็นผู้ที่รู้เวทนาอะไรมาทำกิริยานี้อะไรมาทำกิริยาที่มารู้ตรงนี้คาตอบก็คือจิตนั่นเองจิตที่ไปทำกิริยาที่ไปรู้ตรงนี้คำถามคือว่าแล้วมันเป็นจิตตัวเดิม เดียวกันหรือเป็นสภาวะทำตัวใหม่หรือเปล่า<ช>ตรงนี้เราจะเข้าใจได้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคุณเตนใจว่าจิตของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นจิตประภัดสอนอยู่นะ<ช>คุณเตนใจก็มีจิตประภัดสอนอยู่อรรมา ก, ก็มีจิตประพัดสอนอยู่ท่านฟังก็มีจิตประพัดสอนอยู่พระราชาพระอ ร, รหันตุทุกองค์ทุกใครก็ตามสรรวนรกมีจิตประภัดสอนอยู่หมดทีนี้จิตประภัดสอนของแต่ละคนเนี่ยมันมันเรียกว่าเศ้าหมองได้ เพราะกิเลสที่เป็นอุ อ, อคันตุกะจรมา <Okay. S 1> กิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาทําให้จิตประพุสอนในเศร้าหมองแต่สําหรับสบบามัญสำนึกชาติพระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยที่ราคะโทสะหมดแล้วเนี่ยนะจิตของท่านจะไม่ถึงความเศร้าหมองอีกต่อไป <Okay. S 1> เพราะว่ามีกิเลสมันไกลจากจิตนี่แหละนะจิตรพระพุสอนก็สว่างโล่อยู่ตลอดเวลา <Okay. S 1> นะไม่ไม่มีความเศร้าหมองละ ยมขออนุ ญ, ญาตถามตรงนี้แทนท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะว่าคำว่าจิตประพัดสอนนั้นอะถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราจะแปลว่าอะไรเจ้าคะ่ะโอ้ประภัดสอประภัดสอนนี่ก็ภาษาไทยไหมแต่วั้ถึงภาษาชาวบ้าน<ช><ช>น ะ, นะะภาษาชาวบ้านก็คือจิตที่มันสว่างสวยัยจิตที่บริสุทธิ์ใสสะอาดอ่าท่านที่เคยปฏิบัติธรรมบางท่านอาจจะเคยนั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยมันโลง่งมันสว่างมันเบามันเหมือนก็อยู่บนท้องฟ้าลอยอยู่สภาวะประมาณเนี้ย นั่นนัคือคือความที่ความที่เข้าถึงจิตประพาสสอนและวอย่างบางคนแค่เข้าสมาธิได้ลึกๆหน่อยเนี่ยตรงนั้นน่ะเรียกว่าจิตประพาสสอนเลยก็ได้เพราะพระพุทธาบอกว่าอืมเจ้าค่ะอมเวลาที่เราเข้าสมาธิแล้วเนี่ยนะอ่าเป็นจิตที่อ่อนโยนไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานเป็นจิตประพาสสอนนตรงนั้นอ่ะอืเจ้าค่ะทีนี้พอพอเราออกจากสมาธิปุ๊บเท่านั้นเองโอ้จิตประพาสสอนหายไปละเจ้าค่ะน่ะกลายเป็นจิตอย่างอื่นไปละนะมาเจอเรื่องวุ่นๆในเมือง บางคนไปปริบัติธรรมมาอย่างดีจิตประภัสสรเกิดขึ้นนะพอกลับมาบ้านอ่าวกลายเป็นอย่างอื่นเพราะว่ากิเลสที่เป็นอคติทุกาจรมามตรงนี้มันยังมีการเสื่อมการกลับกําเริบของอกุศลธรรมอยู่ตรงนี้นั่นเองเจ้าค่ะทีนี้ผู้ที่เข้าไปารับรู้สิ่งต่างๆนี่ก็คือจิตประภัสสร น, นั่นเองนะเราจะทํำยังไงล่ะอย่างเราพระอริยสาวกที่เป็นพระอาหารหันขึ้นไปนะหมายถึง พระดัชนชั้นสูงด้วยพระรพุทธเจ้าด้วยปัจเจกพุทธเจ้าด้วยทั้งหมดเนี่ยจิตรประภัสสรของท่านเนี่ยไม่กลับกําเริบอีกละวไม่กลับคือหมายถึงว่ากิเลสต่างๆเนี่ยความเศร้าหมองอคุโสธรรมเนี่ยไม่กลับกําเริบในจิตรประภัสสของท่านคือไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วนะเจ้าคะ่ะใช่เจ้าคะ่ะเพราะนั้นเราต้องไล่กันไปอย่างนี้นะคือจิตเดิมของเราเนี่ย ม, มันมันมีความเศร้าหมองเพราะว่าคือมันไม่รู้วมันไม่ต้องไปรปรุงแต่งก็ได้นะพอมันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปปรุงแต่งก็ได้เนี่ย มันจึงต้องมันจึงไปปรุงแต่งอย่างจิตก็เราไปล้มีอะไรมากระทบเราก็ปรุงแต่งไปนู่นแน่นนี่ใช่ไหม <Okay. S 1> อพอมีการปรุงแต่งไปเสร็จปุ๊บนั้นมันก็จึงจิตนั้นเนี่ยก็จึงมีการเข้าไปรับรู้นะการเข้าไปรับรู้ในสิ่งต่างๆได้เนะพราะมันจะไปปรุงแต่งได้มันก็ต้องเข้าไปรับรู้ใช่ไหมที <Okay. S 1> นี้พอมันเข้าไปรับรู้เนี่ยมันจึงต้องไปก้าวลงในนามรูปนะเวลารับรู้มันไม่รับรู้ในอะไรคุณเดินใจนอกจากในนามรูปจิตเนี่ยพอจิตมันไปก้าวลงในนามรูปแล้วเนี่ย จิตก็จึงมีทางออกอยู่6ทางนะคือเขาเรียกว่าอาจฉาณะนั่นเองนะเพราะจิตไม่ทางออกอยู่หทางมันก็มีช่องให้สัมผัสละนะจิตก็เลยจึงมีการสัมผัสเกิดขึ้นในจิตนะพอมีการสัมผัส น, นี่คือภาษานะก็จึงมีเวทนาเกิดขึ้นที่จิตนั่นเองนะพอมีเวทนาเกิดขึ้นที่จิตนะจิตก็จึงมีความอยากนะความอยากในที่นี้คือตัณหานะพอมีตัณหาเกิดขึ้นนะจิตนั้นก็เลยมีความยึดถือในสิ่งสิ่งนั้น นาะยึดถือในสิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่อะไรต่างๆทั้งหมดละ่นะบุรู้เช่าก็จะแบ่งเป็นขันห้าบ้างออศปะนะทหกบ้างธาตุสีบ้างอย่างนี้เจ้าค่ะเพราะมีความยึดถือแล้วนะก็จึงทําให้มีไปอเป็นสร้างเป็นพบแล้วเป็นที่ที่จะไปยึดถือเป็นก้าวลงไปมีการเกิดมีความแ ก, ก่ความตายความโศกอะไรต่างๆตามมาเป็นปรวนอืมเจ้าค่ะนะในจิตนะนี่คือทําให้กระบวนการที่ทําให้จิตปร ะ, ระสา์เนี่ยมันเศร้าหมองอืมเจ้าค่ะนะ เพะฉะนยึดมั่นนี่ก็คืออุปทานถูกต้องถูกต้องเป็น<า>ถ้าเราไล่ตามสายเนี่ยนะเราเอาจิตประภัฒสอนวางไว้ตรงกลางนะเราจิตประภัฒสอนมาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาส่วนที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยล้อมรอบเอาไว้หมดเลยนะเราก็จะได้ว่ า, เ, าเพราะจิตตรงกลางนะมันไปมีอวิชชามันไปมีความไม่รู้มันไม่รู้ว่ามั น, มรมนมปรุงแต่งก็ได้มันจึงไปปรุงแต่งถัดมาละนะ<ช>จิต<ช>ไปปรุงแต่งจิตถึงไปทําหน้าที่รับรู้นะที่พี่ชาติบอกว่าเพราะมีสังขารจึงมีวิญ ญ, ญาณ ถามว่าอะไรมีสังขารอะไรจึงมีวิญญาณก็จิตพระพัฒน์นั่นแหละมีสังขารจิตประพัฒน์สอนนั่นแหละจึงไปทําหน้าที่รับรู้คือวิญญาณเจ้าค่ะจิตกับวิญญาณไม่เหมือนกันนะคือไม่เหมือนกันตรงที่ว่าต่างกันตรงการทําหน้าที่วิญญาณเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าการรับรู้คุณตนใจเจ้าค่ะอย่างที่มาฟังมารับรู้เสียงที่อาตมาออกไปเสียงที่คุณเตนใจพูดเนี่ยคือจิตของคุณมีการรับรู้นะถามว่าอะไรเป็นผู้ที่ก็ไปรับรู้ก็คือวิญญาณนะเจ้าค่ะจิตเนี่ยไปทําหน้าที่วิญญาณ จิตไปทำหน้าที่บีญยญมเป็นธรรมชาติที่ละเอียดเสมอกันบางทีเราเรามองไม่เห็นความแตกต่างหรอกอันนั้นยกไว้ก่อนก็ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งจุกค่ะเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจว่าออจิตประพสดีเนี่ยเป็นอยู่ตรงกลางนะแล้วก็หมุนไปตามสิ่งที่มากวนก็ได้ว่าหมุนไปตามสิ่งที่มากระทบเป็นอาคัญตุกะจรมาทีนี้จึงทําให้จิตประพัสดีมันเศร้าหมองไปจุกค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันปรุงแต่งออกมาจากจิต ท, ที่ต้องไปปรุงแต่งอยู่เนี่ย มันก็เป็นอาการของจิตทั้งสิ้นเลยนะ่ะเป็นอาการของจิตที่ดิดดิ้นไปเดี๋ยวเป็นอย่างนั้น mm hmm. เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นนะ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ตรัสรู้เรื่องของจิตตรงนี้จึงบอกว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเห็นธรรมะแล้วเนี่ยจะรู้ว่าตัวตัวจิตตัวเราเนี่ยเหมือนกับถูกจิตของเราหลอกเองอืมก mm ็ค hmm. okay. นะ่ะตรงที่ว่าหลอกว่าอะไรหลอกว่าแหมจิตเนี่ยทําไมมันไปยึดถือสิ่งอื่นๆน่นะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับสมมติคนตาบอดนะคุณใจ <ค><ะ>เขาตาบอดมาตั้งแต่เกิดเลยนะไม่เคยเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่เคยเห็นสีแสงแรไรต่างไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็มีคนเขาเอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนขา่าเอาคือคือคนตาบอดเนี้ยได้ยินว่าโอ้ผ้าเนื้อดีนะมาจากแว้นการสีนะเป็นผ้าสีขาวอ่อนนุ่ม น, นี้เป็นของดีนะคือทําให้เขามาีความต้องการในผ้านี้<ค>ะนะส่วนว่าแล้วมีต่อมาอีกวันหนึ่งก็มีคนมาหลอกเขานัหลอกด้วยผ้าเนื้อเลวเปื้อนเข่า นะเป็นของไม่ดีแหะเป็นเนื้อหยาบเนื้อปื้นเขาหมอเราบอกอันเนี้ยเป็นผ้าเนื้อดีนะอย่างที่คุณเคยต้องการนั่นแหละนะพอคนตาบอดรับมาเสร็จปุ๊บก็เลยมาห่มผ้านั้นอย่างดีนะแล้วก็เที่ยวไปออกงานโชว์วัา น, นี่เห็นไหมผ้าชันสวยไหมแต่ตัวเองตาบอดนะแล้วก็นุ่งห่มผ้าเน่าๆไว้นเนี่ยนะจ้ะะค่ทีนี้พอปรากฏในเวลาต่อมาเนี่ยญาติต่างๆเลยเขาก็หาหมอมารักษานะหมอก็หยอดตา ให้ยากินยาถ่ายโทษเบื้องบ น, บนเบื้องต่นะําแล้วปรากฏตาก็สว่างขึ้นมาเห็นสีต่างๆเห็นภาพต่างๆรู้ว่าอา้าวสีขาวเป็นอย่างนี้หรอเอาไอ้ที่มันเปืเป้อ น, นเป็นอย่างนี้เหรอ้อาวงนี้มันฉันใส่ผ้าเปื้อนนี่โอ้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ยคนที่มันมาหลอกเรานี่มันแย่จริงๆเราถูกมันหลอกมันตั้งนานไปเที่ยวคือไม่ค่อยฉลาดคือโง่นั่นแหละน ะ, ะเดินไปโวยคนอื่นมาเอาผ้าเนื้อเร็วเพื่อนเขมอาใส่ไปโชว์ว่านี่เป็นผ้าเนื้อดีเงี้ยเจ้าค่ะเช่นเดียวกันคนที่เห็นธรรมะแล้วเนี่ย จะมีความรู้สึกว่าโอยที่มันมาหลอกเราให้ไปยึดถือไปสําคัญมั่นหมายสิ่งต่างๆ ก, ก็คือจิตนั่นเองอเจ้าค่ะจิตเนี่ยมันมาหลอกเราเพราะว่าจิตมันมีอวิชชาน ะ, ะเพราะฉะนั้นถามว่าจิตเนี่ยทำหน้าที่วิญ ญ, ญาณถูกต้องไปทําหน้าที่ผู้รู้นะแล้วจิตที่ไปทําหน้าที่ผู้รู้เนี่ยเพราะว่ามันยังมันยังโ ง, ง่อยู่มันยังมีอวิชชาอยู่ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปรู้ก็ได้ อืมค่ะจิตที่ไม่ต้องไปรับรู้อะไรสบายๆเนี่ยก็เป็นจิตที่เรียกว่าประพัสสอนนั่นเองทีนี้ <okay. S 2> ทีนี้พอเราพูดถึงนี่คือขาเกิดแห่งความทุกข์าที่จิตมันไปก้าวลงที่จิตมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นจิต ท, ที่พอไปรู้ว่าเอฉันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นะพอจิต ท, ที่ไปรู้จิตประพัสสอนเนี่ยนะมีความรู้แล้วว่าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้จิตประภัสอนก็เลยไม่ต้องไปทำหน้าที่ปรุงแต่งกึ่ไม่มีสําคัญ พอไม่ต้องมีสังขารแล้วก็จึงไม่ต้องไปทําหน้าที่รับรู้พอจิตนี้ไม่ต้องไปทําหน้าที่รับรู้เนี่ยจิตก็เลยไม่ต้องไปก้าวลงในนามรูปพอจิตนี้ไม่ต้องไปก้าวลงในนามรูปจิตก็เลยไม่ต้องไปมีทางออกตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่ไม่มีทางออกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือไม่ต้องไปมีผัสสะพอจิตไม่มีผัสสะจิตก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีเวทนาสุขทุกข์อะไรต่างๆพอจิตไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีความอยากละพอไม่มีความอยากแล้ว มันก็ไม่ต้องไปมีความยึดไม่ต้องมีความยึดไม่ต้องมีความทุกข์แดงๆทั้งสิ้นในยุคตัวอย่างนี้ง่ายๆเลยอย่างเช่นว่าบ้านคนที่ถูกน้ําท่วมอย่างเงี้ยตามหัวเมืองอยุธยาสุโขทัยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สบายนะเพราะว่าเขาเขาเขาเป็นทุกข์นะที่บ้านเขาถูกน้ําท่วมแต่สําหรับคนกรุงเทพนะที่ตัวเองบ้านปีที่แล้วถูกน้ําท่วมปีนี้ไม่ถูกน้ําท่วมเนี่ยคนอื่นถูกน้ำท่วมเนี่ยฉันไม่ค่อยทุกข์อะไรแต่เพราะตัวเองไม่โดน ่า <c oughs> ก็คือว่าอะไรจิตของเธอเนี่ยมีความรู้ไงว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งในบ้านของคนที่อยู่อุทยาหรอกบ้านที่กรุงเทพอ่ะเอาฟังอีกทีนึ่งนะบ้านคุณอยู่กรุงเทพนะบ้านคุณน้ำไม่ท่วมนะบ้านคนที่อยู่อุทยาน้ําท่วมไม่ใช่บ้านคุณนะจิตของคนที่กรุงเทพเนี่ยที่บ้านน้ามไม่ท่วมเนี่ยก็มีความคิดว่าเอ้ฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบ ข, ของคนที่อยู่อุทยาหรอกเจ้าค่าเพราะมันไม่ใช่งฉันคือไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเขาไวงงั้นเธอใช่ตัวเองก็ถึงไม่ทุก แต่ถ้ามันโดนบ้านตัวเองนะโอยนี่มันของฉันฉันไม่ได้มีความรู้ว่าอันนี้มันมันฉันไม่ต้องบูงแต่งก็ได้ตามตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีผัสสะเนี่ยเราเราจึงต้องมีความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นไงแต่พระเจ้าเคยพูดเหตุของ อ, อ, อ, อ, อวิชชาเนี่ยคือผัสสะนะเพราะฉะนั้นถ้ามีผัสสะเกิดขึ้นที่จิต ป, ประภัสสรแล้วถ้าจิต ป, ประภสสรนั้นยังมีอวิชชามากลวนๆอยู่ยังมีการกับกําเริบของอวิชชาอยู่ ในจิตประพสสอนั้นก็จะเศ้ามองได้นะแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติคนที่ฝึกจิตดีแล้วนะมีความรู้ในบางเรื่องที่ดีแล้วเนี่ยคืออวิชานี่นะวุตนใจมันจะจางคลายนะจางคลายไปมันกไม่ใช่ดับพ้วเลยนะแต่มันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงอย่างเช่นในบางเรื่องบางราวเนี่ยเมื่อก่อนเรายังวางไม่ได้พอเราวางในเรื่องนั้นได้เนี่ยชื่อว่าวิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชาดับไปแล้วนะอืเจ okay. ยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเก่าๆที่เราเคยมีมาเมื่อสองปีที่แล้ว หรือว่าของเล่นเด็ก <Okay. S 1> ที่เราเคยมีมาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะเราไม่ได้ว่าเราจะไปเล่นอีกแต่สมัยก่อนนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะใครแต่ต้องไม่ได้เลยนะมันมันยึดถือไปหมดเพราะว่าเรายังเรายังไม่ฉลาดเรายังไม่มีเรายังมีอวิชชาในของเล่นเด็กนั้นอยู่ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามความเปลี่ยนแปลงของมันหรอกแค่เอาไปก็ได้แต่เราไม่รู้ตรงนี้นะเราจึงยังมีอวิชชาในของเด็กเล่นอยู่ <Okay. S 1> เราจึงเป็นทุกข์กับมันอยู่ จนกระทั่งเมื่อเรามีวิชาเกิดขึ้นแล้วว่าโอมันคล้ายๆของเด็กเล่นนะเราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามการเปลี่ยนแปลงของมันก็ได้ไข่จะเอาไปามันจะหักมันจะเสียมันจะถ่านหมดแล้วก็ไม่แคร์อะไรมากไม่เป็นทุกข์อ่ า, าง น, านั้นเถอะเพราะเรามีวิชาเกิดขึ้นในสิ่งนั้นล่ละเเคุณดก็คือความรู้ใ ช, ใช่ไหมเจ้าคะใช่เพราะฉะนั้นวิชากับวิชาก็มาคู่กันเป็นสของตรงข้ามกันถ้าวิชาเกิดนี่ยคือความรู้ที่คุณไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้นะอวิชาคือความไม่รู้ที่คุณจะต้องไปปรุงแต่งเนี่ยมันก็ดับไปเจคนะ เพราะนั้นตรงนี้ก็คือนยัยยะที่หนึ่งนะที่พุทธเจ้าพูดถึงว่าโอ้เราเวลาที่จิตมันมันมันมีตัณหาเนี่ยมันมีกิเลสมันมันยังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยนะเราจะแก้ก็คือว่าแก้ที่อวิชชานี่เราจะดับอวิชชาได้ยังไงตรงนี้นั่นเองอืเจ้าค่ะอะทีนี้พุทธเจ้าบอกอตรงหนึ่งนะคำถามของคุณนิพนธ์ที่มีประเด็นหลายประเด็นตรงนี้นะอะ่พูดถึงว่าจิตแต่ละดวงเนี่ย ที่แต่และดวงจริงๆแล้วจิตประพระสเนี่ยมันเป็นใสสว่างมันเป็นไปทั้งหมดนะเวลาเราจะไปรับรู้อะไรเนี่ยเอาอย่างงา่ายๆท่านฟังฟังตอนนี้ก็น่าจะรู้อยู่สมมุติเรามาสังเกตลมหายใจเนี่ยคนที่เคยปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยจะพบความจริงข้อหนึ่งว่าเวลาเราสังเกตลมหายใจแล้วจิตมันจะเผลอไปคิดนู่นคิดนี่เนี่ยนะคุณตนใจมันไม่ใช่มันไปวับเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันจะค่อยๆสมมุติคุณเตนใจเคยนั่งสมาธิใช่ไหมคุณเตนใจนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บคุณเตนใจรู้อยู่กับลมหายใจใช่ไหม แล้วเยวมัไปคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้เนี่ยลมหายใจของเราไม่ได้หายวับไปทันทีนะมันจะค่อยๆาจางคลายไปถูกไหมไอจิตที่เรามารู้ลราหมายใจเนี่ยมันจะค่อยๆบางไปเบาไปนะจิตที่ไปรู้สิ่งที่มากระทบเช่นเสียงบ้างหรือว่าความคิดในใจความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขนะึ้นบาขึ้นนะจนมาทั้งถึงจุดหนึ่งที่เราว่าเฮ้ยลมหายใจหายหมดแล้ ว, ว, ลลวดับไปแล้วนะความรู้ ใ, ในลมหายใจของเราดับไปแล้วแล้วจิตเราไปมัวเพลินอยู่กับสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาในใจของเราทันที ถ้าจะพูดถึงก็คือเหมือนกับเวลาดีเจเขาเปิดเพลงอ่ะคุณตาใจเขาจะเปลี่ยนเพลงจากเพลงเก่าเป็นเพลงใหม่เนี่ ย, ยเขาจะค่อยมีเทคนิค เ, เรียกว่าเฟดคือเฟดเพลงเก่าลงแล้วก็ค่อยปรับเพลงใหม่เนี่ยให้เสียงมันดังขึ้นเทคนิคนี้ภาษาไทายเขาเรียกว่าอะไรเออยังไม่ทราบเจ้าค่ะแต่ว่าภาษาที่ทางด้านวิทยุเขาเรียกว่า คล <Close> อสเฟดเจ้าค่ะหมายถว่าข้ามกันเฟดข้ามกันคือ <plain S 1> ารเสียงเจ้าค่ะแบบอันนี้อดังขึ้นออันนี้เบาลงในขณะที่อันดังขึ้นเขาเรียกคลอสเฟดเจ้าค่ะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนกันจิตของเราที่จิตที่มันรู้อยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับกายเนี่ยมันค่อยอบางไปเบาไปแล้วก็ดับไปในขณะที่จิตที่มันหลงเพลินปรุงแต่งไปสิ่งอื่นมันก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เพลินไปหมดอย่างนี้เข้ามาแทนที่เลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ เพราะนเพะนั้นตรงนี้จึงพระผู้เจ้าเชื่อกับว่าจงาจงคลายดับไปอวิชาเวลามันจะจางคลายมันก็จางคลายแบบนี้วิชาจะเกิดขึ้นมันจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างนี้เหมือนกันอืมเจ้าค่ะเจ้ค่ะมีจุดหนึ่งที่สําคัญตรงนี้ก็คือว่าถ้างั้นถ้างั้นเวลาเราจะดํารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้ยังไงไหนเวลาเราไปห้าสับปสินค้าเห็นสิ่งของเราเราจะปล่อวางได้ยังไงไหนะพระผู้เจ้าก็จึงพูดถึงปฏิจจสมุปบาทอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าสมมุติว่า เรามีอวิชาเกิดขึ้นเราเรามีการปรุงแต่งมีการรับรู้ทางจิตเกิดขึ้นเนี่ยจิตเราเข้าไปเห็นเห็นตาเห็นรูปอย่างตัวอย่างคุณนิปุณาที่ส่งมาเนี่ยนะคือตาเห็นรูปแนละสวยชอบนะชอ บ, น, ชอบนี่คือความรู้สึกเวทนาที่เป็นสุขใช่ไหมเพราะมีเวทนานะเพราะจิตเนี่ยมีเวทนานะจิตจึงจะมีตัณหานะจิตจะมีตัณหาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้ละตัณหานะเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือของตัณหานั้นนั่นเดียว จึงมีความดับของอุ ป, ปาทานนะความดับอุ ป, ปาทานเพราะนั้นเวลาเราจะมาหยุดเนี่ยเราจะมาหยุดตรงตานานี้ก็ไดนะ้จะมาดับไอ้ช่วงลิงก์จากระหว่างเจ้าตัวเวทนามาตัวตนานาะว่าไม่ให้ตานามันเกิดนะจะไม่ให้ตัาหาเกิดได้ทําทำยังไงพเจ้าให้คําตอบไว้แล้วนะก็คือเดินตามมักนั่นเองนะเดินตามมักใช่ไหเราคิดเรื่องดีรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเนี่ย พอเ ร, เราเจอสิ่งที่เรามาจะลหลงไหลเพลิดเพลินไปมีความอยากเนี่ยเราจะหยุดมันได้ตรงนั้นอมืมันต้องค่อยๆทําไปนะคือสมมุติคนที่ไปนั่งสมาธิไปฝึกวัดมาเจ็ดวันเก้าวันสิบวันก็ตามเนี่ยนะกลับไปบ้านเห็นอาหารอะไรที่ตัวเองชอบหรือว่าไปเดินท่านสัมสินค้าเห็นเสื้อผ้าสวยๆของอะไรทุเรียนอย่างเนี่ยไอ้ความอยากเนี่ยมันจะเบาบางลงจากก่อนๆที่เราเคยมีมา นะเนพราะว่าจิตของเราเนี่ยเดินตามมากมาตลอดแค่ะเวลามันจะไปยึดเนี่ยมันก็จึงเบาบางลงไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ที่ดีมากๆสำหรับคุณนิพูนธ์นะเจ้าค่ะที่เขียนถามเข้ามาทนี้เวลาในรายการเหลือประมาณสักสองนาทีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรที่จะสรุปช่วงนี้ไหมเจ้าคะที่จะฝากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรวมทั้ง คุณนิพุนาด้วยเจ้าค่ะในประเด็นที่เราสนทนาหรือสักะกะฉะกันในเช้าวนันนี้นิมนต์เจ้าค่ะคือความที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้เรื่องของวิญญาณก็ตามเรื่องของเวทนาเรื่องของอุปาทานเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดที่อยู่ในจิตของเราคนตาใจที่เราพูดมาทั้งหมดในรายการตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าไม่ได้มีการปฏิบตัติหรือว่าไม่ได้มีการทําความเพียรทางจิตมาบ้างเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่า ก็ลองมาฟังดูอีกทีหนึ่งถ้าสามารถฟังย้อนหลังได้นะว่าถ้าเรามีการปฏิบัติแล้วเนี่ยความเข้าใจตรงนี้ของเราจะมีมากขึ้นเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเน้นย้ําในเรื่องการปฏิบัติถ้าเรามีการปฏิบัติทางจิตเราเคยสังเกตดูลมหายใจของเราเราเคยสังเกตดูว่าจิตอาการของจิตเรามันขึ้นลงเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้จะจะมีความเข้าใจมากขึ้นทีเดียวเจา้าค่ะก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ท่งยกย่องว่ า, าปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติลงมือปฏิบัติ จริงจังตามที่พระองค์ได้ทรงชี้แนะแนวทางไว้แล้วนั้นเนี่ยเป็นการบูชาที่สูงสุดนะเจ้าคะใช่ใช่ก็คือต้องลองทำแหละถึงจะได้รู้ความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้นะเจ้าคะถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการของเราในเช้าวันนี้ในรายการธรรมรารุนก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะขอเรียนย้ำนิดนึงนะคะว่าอย่าลืมนะคะว่าวันอาทิตย์หน้าคือวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนั้นเนี่ยอ่าก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตภาโซหรือว่าอ่าพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกอ่า ที่ตังอยูที่ตาบลดนอนไหโโคอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีานั้นก็เราไปพบกันนะคะเป็นวันทอดกระถิน่นประจําปีของทางวัดป่าดอนไหโข ค, ค่ะแล้วก็ไปร่วมกันอนุโมทนาบุญในกลามาร่วมท บ, บุญกันก็คงจะเป็นกุศลที่ดีทีเดีดดด น, นะคะทำให้เรามีความสุขความเจริญแล้วก็สามารถที่จะประพฤติธปฏิบัติธรรมวางใจให้หลุดพ้นจากอภิชาทั้งหลายแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปถึงวิมุติคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ สิ่งที่งดงามอริยสัจสีตามที่พระองค์ อ, องค์พระสัมมาสัพพุทเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้แล้วกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่สี่พฤศจิกายนค่ะจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ในเวลาตีห้าเหมือนเดิมนะคะสําหรับเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหโศกตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะ กราบนมัสการและกราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า่ะเชิญบานสาธุเจ้าค่ะ